พระมนดํสิบี่พระที่ตกอยู่ในจาพวกพระมนต์ดได้แก่พวกที่เรียนวิชาศิลศาสตร์เรียนเวทมนต์คาถายินดีในเครื่องรางของขลังบางท่านถึงกับลงทุนไปสักลายฝังตะกรุดไปเรียนวิธีปลุกเสกว่าทำอย่างไรถึงขลังถึงศักดิ์สิทธิ์ร่ำเรียนวิธีเขียนตะกรุดเขียนผ้ายันว่าทำอย่างไรถึงขลังสนใจอ่านตาราหมอดู ดูห่วงจุย้ยเรียนดูลายมือดูเลิกดูดวงบอกเลขใบหวยนี้เป็นมนดํดำไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตามความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ให้เรียนถือว่าเป็นดิรัชานวิชาเป็นวิชาที่ขวางกั้นทางสวรรค์มรรคผลนิพพานถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วความขลังความศักดิ์สิทธ ก็จะเกิดมีขึ้นมาเองมันเป็นผลพลอยได้สำหรับพระภิกษุสามเณรเราเข้ามาในสายตรงแล้วไม่น่าจะไปยุ่งเกี่ยวในสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามายุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แสดงว่าเราไม่เอามรรคผลนิพพานแล้วเราจะเอาทางข้าวของเงินทองที่ทำตัวเป็นผู้ขลังศักดิ์สิทธิ์บางทีมันไม่ขลังจริงหลอกลวงชาวบ้านพูดไปหลับตาเกร่งเกร่งกึมกลมไปเคี้ยวหมากไป ทำเป็นกำหนดบาระจิตทําให้เขาเรื่มใสทําอย่างนี้พระเนนที่มาบวชภายหลังจะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพระพุทธศาสนาญาติโยมที่ยังไม่เข้าถึงพระตนะตรยัยเห็นพระขลังขลังเคร่งเกร่งครึ้มคร้มก็หมอบคลานเข้ามาเป็นแถวแถวการที่เราปั้นรูปพระทํารูปเหรียญกุโรบาอาจารย์รูปพระสมเด็จพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ผิด เพื่อจะแจกให้ญาติโยมได้ไว้ไปบูชาหรือติดตัวเพื่อระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณเพื่อจะได้สร้างคุณงามความดีถ้าเราเอาไปจําหน่ายเอาไปขายตั้งราคาองค์นั้นราคาเท่านี้องค์นี้ราคาเท่านั้นชื่อว่ามันผิดทางแล้วมันเป็นการค้าขายเป็นพาณิชย์ไปมันไม่ใช่ความเสียสละจริงไม่ใช่เมตตาจริง ไม่ใช่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว